พี่น้องจะมาเราพิสเลฮามดูพี่น้องที่มาพิสกีพยานดูนะครับนั่งบันียาสิดเลยสุลล่าอัลฮัมดุลลาอฺซุลตุสซลามุอะลลลฮอลฮวะซบิละะฮดะบิวซลมุอะลัยุมราะห์มุลลอฮวะรกตุลังจกีได้ักกันสัปดาห์เนาะสัปดาห์ ผมเป็นเป็นคนสามันชนเนี่ย น, นะเวลาคนเยอะก็กลัว <c oughs> นี่มากันเยอะนี่ผมกลัวตื่นเต้น <c oughs> อืก็ช่วยช่วยให้ลดความหวาดกลัวของผมด้วยด้วยการปิดมือถือครับแล้วก็ถ้าขับบ้านเสร็จแล้วเนี่ย ใครที่ตั้งค่ารับสายหรือปลุกให้ตั้งค่าเสียงที่น่ารักใหม่ไม่ใช่เข้ามามาสิิดแล้วก็มีเสียงเรียกเพลงอะไรเลอะเถอะนะไ ม, ไ ม, ไม่มีสุตัวและใครที่พาลูกหลานมาด้วยนะครับช่วยผมด้วยนะถ้าไหนเมื่อพามาแล้วเนี่ยก็ช่วยดูแลหน่อย ส่วนคนที่มาอาจจะมีพี่น้องที่มาใหม่นี่ก็ทราบกันแล้วนะว่ามาที่นี่เนี่ยทำได้ทุกอย่างยกเว้นหลับยเวนหลับหลับนอนคนอะไรเงี้ยอันนี้มันสัญญาณไม่ดีสัญญาณว่ามีชชยตอนเข้ามายุ่งลนะนะก็คุณค่าของการ เรียนกุรอ่านน่าจะมีความสำคัญมากกว่ากีฬาโอลิมปิกช่วงนี้นะติดตามกันเยอะสนใจกันเยอะถ้ากุรอ่านน่าจะมีคุณค่าสูงกว่านั้นเยอะเลยเนื่องจากว่ากุรอ่านนั้นเป็นทางนำที่พระเจ้าให้มาแก่ยังมนุษย์ชา พระเจ้านี่ต้องเป็นสิ่งที่เราตรนักอยู่เสมอนะพระเจ้านี่คือผู้ที่สร้างตัวเราขึ้นมาผู้ที่ทำให้เราได้เป็นมนุษย์ขึ้นมาผู้ที่ทำให้เราได้มีสติปัญญาทำให้มีชีวิตชีวาผู้ที่ทำให้เราสามารถจําแนกระหว่างความดีกับความเลวความสัจริงกับความเท็จ พระผู้เป็นเจ้าที่ทำให้เรารู้ตัวตนว่ามีหน้าที่มีบทบาทอะไรบ้างในโลกดุนยานี้ในโลกนี้การที่เราได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นอาจจะมาจากการค้นหาคนคิดด้วยตัวเองแต่จะมีบางส่วนที่พวกเราไม่สามารถค้นคิดด้วยตัวเอง อยู่กับพระเจ้าน่ะจะต้องอาศัยอาศัยทางนําจากตัวพระเจ้าเองอาจจะมีมนุษย์ที่สามารถรู้จักพระเจ้าด้วยตัวเองพบพระเจ้าด้วยตัวเองรู้ว่าโลกนี้มีพระเจ้ามีพระพุทธพิบาลด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีคุรอ่านไม่ต้องศึกษาศาสนาบทปัญญาใดๆเลยแต่รายละเอียดของ สิ่งสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเขาเนี่ยเขาไม่สามารถรู้ได้ตัวเองแน่นอนจะรู้ยังไงหรือพระเจ้า huh. ส no. so yeah. so ั่งให้ละหมาดยังไงสักการะพระองค์ยังไงข้อห้ามข้ออนุญาตต่างๆนี่เราก็ต้องอาศัยอาศัยทางนําที่พระเจ้าได้ส่งมานี่คือคุณค่าของอัลกุรอานกุรอานจะทําให้เรารู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นทําให้เรา เข้าถึงพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าแม้นว่าจะไม่สามารถไม่มีใครสามารถสัมผัสเห็นพระองค์ได้ในโลกนี้ <c oughs> แต่พระเจ้าได้ทิ้งไว้ซึ่งช่องทางที่จะทำให้เราเข้าถึงพระองค์ได้เข้าถึงหม่ทถึงว่าได้ รู้ได้สัมผัสเปรียบเสมือนเราได้เห็นพระองค์เปรียบเสมือนเราได้คุยกับพระองค์เข้าถึงการอ่านอัลกุรอานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้เข้าถึงพระเจ้าได้เปรียบเสมือนเราพูดคุยกับพระเจ้ามุฮัมมัดอิบเนกาบอัลกุรอดีซึ่งเป็นเป็นประการยุคตะบีนอินนะท่านได้บอกว่ามัน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 أما جاء ن سورة الرحمن حفظتها عديفا سورة الرحمن الرحمن وعلم القرآن. نعم مايروه القرآن، كذاي بكونين. تي الله سبحانه وتعالى سيسال كا. في سورة سو. لكي هو يو. ที่เรกอ่านคุรานเนี่ยมันเป็นพระํารัดของของพระเจ้าจริงแลว้วะพระองค์จะใช้ในการพูดคุยกับเราจริงในสวรรค์มันไม่ใช่สารชั่วข่าวกุรานนี่ไม่ใช่เอบทบันทึกชั่วข่าวไว้ใช้เฉพาะในโลกนี้ใช้กันเฉพาะในโลกนี้แล้วก็เดี๋ยววันเกียร์มาเนี่ก็ค่อยว่าก็ไม่ใช่คุรานนี่แหละที่เรากําลังอ่านกันอยู่เนี่ยมีคุณค่าเพราะมีความถาวร โดยที่พระองค์จะนํามาพูดคุยกับเราในวันแก่อกมาอีกรอบนี้โอกาสที่เราจะอ่านกุรอานให้เราฟังส่วนอื่นของอัลกุรอานส่วนอื่นเนี่ยก็มีเชน่นเดียวกันและถ้าเป็นเช่นนั้นและะ้วแสดงว่าคนที่คุ้นเคยกับอัลกุรอานในโลกนี้อ่านกุรอานฟังกุรอานในโลกทุกยานี้ นอกจากว่าตอนที่เราอ่านกุรอรานในโลกนี้เนี่ยและเรารู้ข้อมูลตะ ก, กี้ที่ผมได้นําเสนอว่ากุรอรานนี้จะถูกอัลลอฮ์จะอ่านให้เราฟังในสวนสวรรค์ถ้าอัลลอฮ์อนุญาตให้เราได้เข้าสวรรค์นเนี่ยเราจะภูมิใจว่ามีสิทธิได้อ่านกุรอรานล่วงหน้าได้อ่านกุรอรานล่วงหน้าก่อนที่จะได้ยินกุรอรานนี้ด้วยเสียงของพระองค์ท่าน لا الله سبحانه وتعالى ص م ميسيان م ي ا ن نبنتكم ب خ ا ر ي المسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال كمان يا الله جريء منصي ن شا ت ن ل ع ي و ي ن ا د ي الله لسون ريع ب ص و ت ن دوي سين ب ي ا و ت ن خ ا ر ي المسلم بيساوتن دوي س ي ا يسمعه من قربك من ب ع د ا ผู้ที่อยู่ใกล้คิดกับผู้ที่อยู่ห่างไกลเนี่ยได้ยินเสียงพอๆกันนี่คือข้อแตกต่างระหว่างเสียงเรากับเสียงอัลลอฮ์ใช่ไหมนีม่ถ้ามไม่ใช่<ม>ไห ม, ม, ไมถ้าผมพูดนะคนที่อยู่ใกล้เนี่ยก็จะได้ยินเสียงชัดกว่าและคนที่อยู่ข้างนอกล่ะจะหมดเสียงเลยนะเสียงอัลลอ์ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสียงอัลลอ์ไม่เหมือนไม่เหมือนเสียงเรา ม่เหมือนเสียงมนุษย์ใช่ไหมจินตนาการานียเลยการที่เราได้อ่านอัลสุโมตสุรอัลรอฮ์มาเนี่ที่เราอ่านแล้วก็ฟังกันในโลกนี้คนที่รับรู้ข้อมูลนี้ว่ากุณอ่านนี่มีคุณค่าขนาดไหนนี่ยขาจะรู้ว่าการที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลกุรอานและพยายามยึดติดกับทางนําของพระเจ้า ในโลกนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้มีกำลังใจยืนหยัดจนกว่าจะได้รับรางวัลตามที่พระองค์สัญญาไว้ในอุปราชคนที่อ่านสุรโรห์มานหวังว่าจะได้ฟังสุรรห์ม า, านจะเป็ระสุภานุวาตาอะไรในในส่วนสวรรนะค์น่ะคนเนี้ยเขาจะมีกำลังใจในการยืนหยัดในการอดทนในการต่อสู้ ในโลกนี้มากกว่าคนนี้ไม่ได้อ่านสุรามาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณอ่านมีด้วยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสุรามานีอัตมาจะอ่านให้เร า, าในในในสุสวรรค์ด้วยนะไม่รู้แต่ข้อมูลเหล่านี้ในจากความรู้ในที่ผูส้สตาติสาสมมาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของทางนําที่ทําให้เราอย่างที่บอกทําให้เราเข้าถึงพระเจ้าเข้าถึงรู้เรื่องอะไรเป็นอะไร ความสว่างของความรมรุนมนรงในโลกนี้ความมรุนแรงแบาความมรูนแรเกี่ยวกับอัลกุรอานนี่กับฮะดีษนะความสว่างอ๋อมันอย่างนี้เองอ๋อมันเป็นแบบนี้เองต่างกันเยอะนี่คุณข้าของอกุรอานยิ่งอ่านแล้วและศึกษาเข้าใจกุรอานมากขึ้นทําให้ผู้ศรัทธายิ่งมี โอกาสมากกว่าคนอื่นในการเข้าถึงพระเจ้ามากอันที่จริงแล้วกุานฮะดีสูกประธานลงมาเนี่ยเพื่อให้ได้เพื่อให้พวกเราได้เข้าใจพระเจ้ามากขึ้นเข้าใจไม่ใช่อ่านอย่างเดียวอิหม่ามอุลควมได้บอกว่าชีวิตของผู้ศรัทธาในในโลกเนี่ยมีไว้เข้าใจอัลลอฮ์นละรัสูลอัลฟะหมฮานิลลาฮี วางในรัศมีเข้าใจอัลลอฮรัศูลที่จริงคนเราเองนะนะมนุษย์ด้วยกันเนี่ยคบกันได้เพราะคุยรูย้เรื่องแต่เพราะคนนี้คบกับคนนี้ไม่ได้เอ้ทำไมไม่คบเราคุยไม่รู้คุยไม่รู้เรื่องที่มนุษย์ด้วยกันนี่น้องลองนิกภาพสิอ่านกูอ่านทั้งทีแล้วนะ ล้วไม่รู้เรื่องมันจะเป็นความรู้สึกยังไงอะในเมื่อคนนี้ไม่มีเครื่องมือเนี่ยราไม่ว่าแน่นอนแตคน่คนที่สามารถสาาังกฤษยังยังรู้เรื่องเลยฟังเพลงฝรั่งนี่โอ้โหคของเหลือเกินแล้วเดี๋ยวนี้มาใหม่ด้วยเพลงจีนเกาหลีรู้หมดเลยรู้หมดเลยแต่พออุรานอืไม่รู้เรื่อง ทำไมไม่เรียนละมันยากเราอยากจะสื่อสารกับมนุษย์ได้เราอยากจะฟังเพลงแล้วเข้าใจมันได้อยากจะได้อัธรุได้อัรุษแก็ร้องเพลงแล้วก็เฮกันเฮกันทาไมวะทาไมเขาเฮกันอ่ะเขาดูหน่อยเขาศึกษาหน่อยแค่นี้มันเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คนบางคนเนี่ยขยันศึกษาภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของตัวเอง การที่เรารู้ว่ามีสารมาจากพระเจ้าพระผู้ผู้ที่สร้างเราขึ้นมาเนี่ยอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นเข้าใจพระองค์มากขึ้นมันไม่เป็นเหตุผลเบียงเอนที่จะทำให้เราใส่ใจเรียนรู้และเข้าใจความหมายอัลกุรอานเราได้อธิบายความหมายสุรตัตตบ้ า, า, าผ่านคุณไปแล้วเรียบร้อยสุรตัตตบ้านนี้ อย่างที่บอกพร้อมกับสุรษะอัลอันฟ้าถือว่าเป็นเจ็ดสุรษะยาวบวกกับสุรษะอัลเบกระอัลอิมรอนอัลนิซาอัลมาิดะอัลน عام อัลอาอัฟละก็อันฟ้ากับเตวบะทาไมต้องนับอันฟ้ากับตวบะพราะอย่างที่บอก ในยุคสลั伯ยุคสฮฮามานี่เพียงความที่เขาไม่แน่ใจตอนที่เข้ามารวม ร, รวมอุษุอานวาอัลอัฟลละอัตตอบาเนี่ยเป็นสูราเดียวกันหรือไม่เขาก็เลยแยกเป็นสองสูร์แต่ไม่ไม่เขียนบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรรัยมตอนเริ่มต้นสุดอัตตอบาทั้งนัง้งดีเป็นกติกาของการเขียนอลกุอาน ก็ต้องแยกระวังแตละสุร่ายให้มีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรรฮฺการแยกนี่เป็นกติกาที่ท่านนบีวางไว้นะนบีวางไว้เวลาเริ่มต้นสุร่าใหม่เนี่ยเช่นในวันทีกขุนหม่ามุสลิมท่านนบีสุลต่านนั่งอยู่กำลังอยู่กับหอฮ์ฮามะเมื่อสักพักหนึ่งท่านนบีก็เลยสยบสงบท่านนบีสงบแล้วเนี่ยแล้วก็งือออกสบซอฮาก็จะรู้เลยว่ากาลังรับ ว่าอยู่รับคาสอนจากพระเจ้าเพราะหลังจากท่านนบีได้ขี้คายแล้วนี่นะนบีก็ยิ้มยิ้มแล้วนะครับว่าก็ทำนบีนบีทำไมไมทำไมนีท่านนบีก็แล้วก็บิสมิลลาฮิรรามานุรรฮิยอินนาอัตยนักัลกอุธรฟัซลิลรบบิกะอันฮารอินชานิคฮ์อัลลอฮ์ตุรแสดงว่านบีเป็นผู้วางกติการะเบียบในการเริ่มต้นสุร่าใหม่ و د ذ م ي ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ت و ب ا ن ب ن س و ر ا د ي و ن ي ا ل ر آ ن ت و ُ س و ر ا ت ر َ ي س ت ب س ْ ي ا ل س و ر ا ن ِ ن ا ه ُ م ي ُ و َ ز ا ر َ ت ُ ا ل س ُّ و ر ا ت ي و ْ ن ِ ي ْ تِيْ م ا ي ْ م ِ بِسْمِ ا ل ل َّ ا ل ر ا ل ت و ب ا ن ي م ِ ت َ م ْ ه ي و أ ُ ل َ م َ ا سَنِيْتَ أ َ ن و ا ء َ ب ن ْ بِدَا أ ج ا ل س و ر َ ة َ ا ل ْ ل ْ ف ك َ ت َ و ب ا ل ط و ا ل เจ็สุร่ยาวยาวที่สุดจริงยาวที่สุดเนี่ยคุนถัดมานี่ยมวดถัดมานี่เขาได้การเอลมีอินมีอินี่บรรดาสุร่าที่มีหนึ่งรออายะขึ้นไปก็เริ่มดังแต่สุร่ายูนุสเนี่เริ่มละเอลมีอินสุร่าที่มีหนึ่งอยายะขึ้นไปสุร่ายูนุสนี่ก็มีร้อยกว่าอายะ ก็จะไปจบที <im> <yor> ่ประมาณสุร <maximum> <t od ges> ัตอิสระกัฟีอะไรบวกนอีกอีกหดุษโดยประมาณการแบ่งเป็นหมวดแบบนี้ก็มีตั้งแต่สมัยท่านนบีสุลต์ละวะอะไรยูาการรวบรวมมันกุตลานี่เป็นเป็นการสั่งการของท่านนบีสุลต์ละวะคุตลานอย่างที่เราทราบกันถูกประทานลงมา จำแนกจำแนกสุระและอายะบางส่วนของคุตตาเนี่ยถูกประทานลงมาทั้งสุรเลยทั้งสุรเลยเช่นสุรัตน์อันนามมีบางรายงานเคยที่บานถูกประทานลงมาทั้งสุรเลยสุรยูสุฟทั้งสุรเลยอย่งนี้เป็นต้นแต่ส่วนมากเนี่ยไม่ใช่เช่นสุรัตน์เบกรอสุรัตน์เตาบ้าน ไม่ใช่ถูกอทอาแลงมาทีละสามอายะทีละอายะเป็นบททีละสามบทสามอายะสี่อายะเนี่ยหนึ่งอายะเอาแล้กการที่จะปฏิ ป, ปตอ่อายะนี้กับอายะนู้นในเหตุการณ์นู้นในสถานที่ในเวลานูน้นจะมารูบรวมใครปเป็นคนสัง่งอ่ะไม่ใช่คนอื่นนะครับน บ, นบีนบีเนี่ยเป็นคนสัง่งผู้เพียงผู้เดียวเลยแต่นบีเนี่ยจะมีผู้ช่วยเป็นคนเขียนเพราะตัวนบีท่านนบีเองเนี่ยเขียนไม่ได้ ก็ต้องมีผู้ช่วยเป็นผู้เขียนมีหลายคนนะมีไซดุมนิซาบิมีอาลีนะมีตาลีมีท่านมวนมีหลายคนนบีก็จะเรียกพอกูดานถูกประทานลงมาสองอาย่านี้นบีก็จะเรียกอะไรใครที่สะดวกมาสองอาย่านี้เนี่ยไปวางในสุรานั่นช่วงกลางในช่วงต้นในช่วงปลายนบีจะบอกเลยนะ ไปวางไว้หลังอายาี่วังเพราะนบีจำได้หมดเนยนบีเป็นผู้เรียบเรียงแล้วตอนที่ท่านนบีเรียบเรียงเนี่ยสมมติว่าแต่ละอายานี่ถูกประทานลงมาไม่ไม่ใช่ทีเดียวกันนะแล้วนบีรวบรวมแล้วสาบารจะรู้ยังไงเพราะนบีแค่บอกคนที่เขียนใช่ไหมนบีมีอัปเดตตลอดอัปเดตตอนไหนรู้ไหม ตอนละมาดตอนลมาดทุกครั้งนี่จะรู้เลยว่าสองอายะที่ถูกประทานลงมาเมื่อสองเมื่อปีแรกที่มาเทนไม่มามาที่มาดีนะกับอีกหอายะทีถูกประทานลงมาในเดือนนูนอีกอายะอีกสองปีเนี่ยเพราอยู่ดีดีนบีก็มาอ่านรวดเดียวในสุรดเดียวในละหมาดสาัฮาบจึงจะรู้ว่าออแสดงว่าต้องอ่านแบบนี้นะสัฮาบโดย ความรู้ลำพังของเขาเองเนี่ยเขาจะรู้ยังไงว่าสองอาย่านี้สามอาย่านี่สี่อาย่านี่มันมันจะเป็นสุราเดียวกันมาปฏิปตะว่าสองอายันกับป้ายานี่มาอยู่ในสุรานี้จะรู้ไม่ได้นอกจากว่าท่านนบีลลัลลอฮฮิวะัลลัมจะเป็นคนบอกคุรานไม่ได้เป็นตำรา ไม่ได้เป็นตำราคณิตศาสตร์หรือสอนุชาเลขหมายรวมว่าทุกอย่างในคุรานเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยจะมองแล้วก็ต้องเป๊ะกหนึ่งบวกหนึ่งก็คือสองเนี่ยไม่ใช่ฉะนั้นในกุรานเนี่ย ควาเห็นของผู้รู้แต่ละคนในการที่จะอธิมาเยแล้วทําไมซูรุตยูนุสเนี่ยท่านนบีมาวางไว้หลังซูรุตตาวันแล้วทำไมอาญานี้อยู่หลังอาญาณิไอเรื่องนี้นี่นะมันไม่มีคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์นี่เอานักคณิตศาสตร์จากอเมริกาจากเมืองไทยจากจีนเนี่ยเวลามาเขียนสมการอันหนึ่งเขก็ต้องก็ต้องเขียนเหมือนกันผลของมันเนี่ยก็ต้องเหมือนทุกคน ขานิสานนี่มันเ ป, ป๊ะๆแต่นี้ไม่ใช่อัลลอฮ์สุภาโนาวาดาล์ให้มนุษยชาตทุกคนที่มีเครื่องมือพร้อมมันนะเครื่องมือก็คือความรู้ศาสตร์ต่างๆที่เป็นเงื่อนไขในการเข้าใจกุรานเนี่ยสามารถที่จะไตรตรองแล้วก็ได้ความรู้ความเข้าใจจากอัลกุรานด้วยการพินิจพิจารณา เพราะฉะนั้น <c oughs> การที่เราได้มีโอกาสอ่านสุรา ต, ต่างๆย้ายสุรา ต, ต่างๆในคดีอ่านเพิ่มความเข้าใจน่าจจะมีโอกาสเรียนรู้ที่นี่ได้ความรู้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับอะไรก็ไปอ่านอีกตำราหนึ่งหรือไปเรียนกับนักวิชาการอีกท่านหนึ่งเขาอา จ, จให้ความรู้ที่ไม่เหมือนเรียนกับผมที่นี่เป็นไปได้ แต่ความรู้ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เป็นความรู้ที่แย่งกันแต่เป็นความรู้ที่เพิ่มพูนมากกว่าซึ่งนี่คือจุดแข็งของอัลกุรอานยิ่งศึกษากุรอานมากขึ้นยิ่งรู้ว่าเนื้อหาของกุรอานเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะในตัวอักษรที่ประกอบแล้วเป็นคำคำประกอบแล้วเป็นประโยค<ม>เนื้อหาของกุรอานเนี่ยมันกว้างขวางกว่านั้น เพราะเราได้สัจธรรมสุรัตตาบาลแล้วเราย้ายมาสุรัตยูนุสเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ที่อาจจะไม่เหมือนกันของแต่ละสุรซุระตาบะเราจะรู้สึกถึงความความดุเดือดเพราะพูดถึงใครอ่ะพูดถึงพวกไส้ศึกพูดถึงพวกมุนาฟิก พวกที่ไม่หวังดีคนที่ไม่ปรารถนาดีคนที่มีเจตนาไม่ดีก็พระเจ้าเราเลาได้ประวิงเวลาให้ให้เขาแล้วเนี่ยสิบปีเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงสุรธรรมถูกประธานลงมาในช่วงท้ายๆในชีวิตของท่านนบพีเปิดโอกาสให้พวกนี้ปรับปรุงตัวเองแล้วไม่ปรับปรุงก็เลยมีลักษณะ รุนแรงสุรัตตะวานีส่วนมากเลยเนี่ยหรือเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นสุรห์มัดนานิยามัดนานิยาแปลว่าถูกประธานลงมาที่เมืองวันีนะแต่สุรัตยูนุสเนี่ยทั้งหมดเลยมีทัศนะหนึ่งอุลามาบางท่านเนี่ยบอกว่ามีอยู่อันเดียวที่ถูกประธานลงมาที่ มดีนะแต่มีอุลางท่านบว่าเป็นเอกฉันเลยว่าสุรยูนุยนี่เป็นมักกี้ะมักกี้ะมักกี้ะแปลว่าทูปทานลงมาที่มักกะนครมักกะมักกะนี่ก็คือที่ท่านท่านอับดุมฮัมหมัดอยู่ที่มักกะนี่สิบสามปีตั้งแต่เริ่มเทศนาพอ คู้ปฏิสัทธาเนี่ยปิดช่องทางในการเผยแพร่ศาสนาให้ท่านนบีไม่สามารถทำงานได้ท่านนบีก็เลยอพยพไปอยู่ที่มาดีนะอยู่สิบปีแล้วเสียชีวิตอายุขยของท่านนบีทั้งหมดเนี่ย63สบสาปีตามระบบจันทรคติห3สบสามปีนะสี่สิบปีก่อนที่จะเทศนาสี่ปีไม่ได้เป็น ศาสดาไม่ได้เป็นศาสนทูตสีปีและยีสบสปีเป็นศาสนทูตสิบสาปีอยู่ที่มักกะสิบปีอยู่ที่มดีนะการทำงานของท่านนบีในยีสาปีในสิบสาปีอยู่ที่มักกะสิบปีอยู่ที่มดีนะสิบสาปีเนี่ยส่วนมากเนี่ยเป็นการเผยแพร่เป็นการพูดคุยเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะสังคม เพิ่งเพิ่งรับเพิ่งรับรู้เอ้ยมีสสาธุมีด้วยเหรฟ้ากับดินเนี่ยฟ้ากับดินเนี่ยมาอยู่ด้วยกันได้พระเจ้าจะเลือกมนุษย์คนหนึ่งมาเป็นผู้รับพระดำรัตของพระองค์เนี่ยมาบอกกับชาวบ้านมีด้วยเหรอแบบนี้นบีตึง จึงต้องใช้เวลาในการพูดคุยไม่เหมือนคุณอ่านที่มา ด, ดิน่าเนี่ยคือคนเขาเรื่องกันแล้วอ่ะสิบสามปีคุยแล้วไม่ค่อยมีเรื่องพูดคุยค่อยค่อยคุยค่อยค่ อ, อ, อยนำเสนอค่อยค่อยอธิบายไม่ใช่อย่างโซลตาบ้าที่บานมาแล้วใครที่เรียนรู้โซลตาบ้านนี้ใช้เวลากี่เดือนทาได้ไหมอือ ก่อนเสถาเป็นนายก อ, อ่ะก่อนไอ้คางดำนี่มันมาปรากฏตัวในประเทศไทยไม่นานมากนะปีหนึ่งเนี่ <c oughs> ใครพูดสองบีไม่ดีเสีย <c oughs> ปิดแมสก์เล <c oughs> เกือบสองบี <c oughs> เออนั่นนั่นแ <c oughs> ล้วท่เลตตั้งนะเหรอ ใบขุดเคยป่ะสอนในแต่บ้านนี่มีแมสเคยไหมไม่เคยสอนเนี่ยเคยไม่ไม่ใช่ไม่เคยดิไม่เคยนะหลังคือบายแล้วหมดขุดไปแล้วไม่งั้นเขาไม่ให้สอนเออเนี่ยชุมนุมกันอย่างเนี้ยแต่ก่อนนู่นน่ะ เ, นเรื่องน่ะ เออออกรายการนั่งอยู่คนเดียวในสตูนยังให้ปิดแมสนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยยังต้องปิดแมสเกือบสองปีจําได้ไหมในสุรตะบ้านในที่เราได้อธิบายสุรตะบ้านเนี่ยมันมันจะมีการตําหนิมูนาฟิกินตลอดเวลาอวมินโฮมอวมินโฮมแล้วก็ส่วนหนึ่งของพวกนี้มันทำอย่างนี้ดูนทําร่งไหมตำหนิ พวกมุนาฟิกินตลอดตลอดคุรานในยุคของมักกาเนียมีตำหนิบ้างมีตำหนิบ้างแต่ไม่มีตำหนิรุนแรงเหมือนที่มะ ด, ดีนาะเทียลโลได้ตำหนิมุนาฟิกินไม่เหมือนไม่เหมือนทาให้เราได้คิดเหมือนกันว่า สำหรับคนที да ่เหมือนผูมน <que> <Shaun. S 2> ุษย์วิกินพวกมนาษย์หนึ่งเขารู้เรื่องเขารู้แหละเขารู้เพราเป็นมุสลิมอะมนุษหนึ่เป็นมุสลิมหมายถึงเขาเปิดเผยเขาเป็นมุสลิมแสดงว่าการที่ตําหนิคนที่รู้เรื่องกับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยอย่างคนที่ไม่ได้ศรัทธายังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องอิสลามเลยอะะมันต้องมีข้อแตกต่างต้องมีวิธีการที่ไม่เหมือนกัน สุรัตยูนุสเนี่ยอุลามาส่วนมากได้บอกว่าเป็นสูรโรที่อัลลอฮ์พูดถึงเรื่องหลักศรัทธาอุลมามะท่านบอกว่าสุรัตยูนุสนี่ถูกประทานลงมาเพื่อปลอบใจท่านนบี่เพราะพูดถึงเรื่องเดชานุภาพของอัลลอ์พูดถึงการตอบแทนผู้ศรัทธาพูดถึงการลงโทษสาหรับผู้ปฏิศรัทธา ดูรวมแล้วนี่ดูเหมือนว่าอัลลอฮ์กำลังตอบใจท่านนะพีว่าท่านท่านอย่าหวั่นไหวนะท่านอย่าอย่าท่านอย่าท้อใจนะทุกอย่างนี่มันถูกต้องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ประทานลงมานี่มันใช่แล้วท่านอย่าได้อย่าได้สงสัยอย่าได้ลังเลใจนะในการทําหน้าที่นะ แล้วอุลมามะบางท่านบอกว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นการปลอบใจทัศ น, นบีคนเดียวนะสุรัตรยูนุสเนี่ยมีไว้ปลอบใจผู้ศรัทธาทุกคนโดยรวมแล้วสุรัรยูนุสเนี่ยกำลังสอนให้พวกเราได้เชื่อมั่นในกฎสภาวะกฎสภาวะหมายถึงว่าเดชานุภาพของอัลลอฮ์ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอยา่าง ว่ามันถูกควบคุมถูกรวบรวมถูกกําหนดถูกบริหารจัดการอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามที่พระผู้เป็นเจ้าได้กําหนดไว้การที่มีสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิ น, นพระเจ้าเป็นผู้กําหนดการที่พระองค์สร้างนมาา น, นุษย์ขึ้นมาพระเจ้าเป็นผู้กําหนดการที่พระเจ้าส่งบรรดาอัลเบนบีและรอซูลศาสนทูตไปเตือ น, นมนุษยชาติอาเป็นกําหนดของพระเจ้า การนี่พระเจ้าจะให้มีผู้ที่ใช้สติเข้าใจคําสั่งสอนที่มาจากพระเจา้าแล้วก็ผู้ที่ใช้สติเหมือนกันแต่จปะปฏิเสธอันนี้ทั้งหมดนีนพระเจ้านี่คําหนดแล้วพระองค์ก็รู้การนี่พระองค์สั่งให้มีสวรรค์แล้วก็นรกสวสรคสรค์สำหรับตอบแทนคนที่ศรัทธานรกสําหรับตอบแทนผู้ที่ปฏิเสธ สัาก็เป็นกำหนดของพระชา้าและหว่างนั้นในสุร่นีเนี่ยก็กำหนดเรื่องชั้นฟ้าและแผ่นดินเรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เรื่องเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในประชาชาติยุคกอ่อนการเทศนาของศาสนาทูตบางท่านและการปฏิเสธของกลุ่มชนของเขาโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องอัศจรรย์นเนี่ก็คือเรื่องท่านเบบีอุนุสท่านเบบีอุนุส ดตามข้อมูลส่วนมากของนบียูนุสเนี่ยที่จะเล่าต่อไปเนี้ยส่วนมากนี้ก็มาจากตัวร์ตัร า, ราหรือคำบีเก่าก็คือคำบีของอยู่ว่ายูนุสถูกส่งไปยังเมืองนีนวาอินนวานวาอยู่ที่รักซึ่งเป็นนบีที่ถูกส่งไปยังประชาชาติที่มากที่สุดในบรรดานบีและระสูลทั้งหลาย อูฐอัดอร์บอสออล0 0 0 0 0 0น้าอุยจีดูนบยเนี่ยประชากรของขึ้นนบียูนุสนี่ก่อนท่านนบีมูฮัมมัดหลายพันปีนะแสดงว่าจากนี้เนี่ยถึงนบียูนุสนี่ก็สัก 4,000 กว่าปีอ่ะเมืองนบียูนุสเนี่ยมีประชากร 100,000 คนกว่าคือในอารยธรรมโบราณเก่าแก่น่นน่ะ เมืองหนึง่งมีพันคนนี่ก็ใหญ่แล้วนะก็ว่าใหญ่แล้วนะแต่ถ้าเมืองนี่มีแสนคนนี่นะนี่ก็ถือว่าเมืองใหญ่ถือว่าเป็นประชากรค่อนข้างเยอะจึงเป็นเรื่องปเปรื่องแปลกนะและแปลกสําหรับตัวนายบิยูนุสแล้วก็ตัวประชากรของเขาตัวนมยบิยูนุสที่ถูกสั่งให้ไปเทศนาไปสอนเอา คำสั่งสอ s a องพระเจ้าเนี่ยไปสอนเขาในบิยูนุสเนื e องจากว่าประชากรเยอะเงี้ยกลัวกลัวดูขดดูขดจะไม่ a ม่เอาไม่ไม่ยอมรับท่านบิยูนุสก็เลยดี e ี่เรื่องแปลกเลยประชากรขอเขาเหมือนกันปฏิเสธตีฏิเสธ ภายหลังนี่พรอหน บ, บิยูนุสก็มาแสดงที่นึ่กัรับซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกปกเกิแล้วเนี่ยส่วนมากนะนะ บ, บั ร, ารดาลนบีอัลลอฮฺจะเล่าเรื่องของเขานี่นะก็คือส่วนมากน บ, บีไปเทศนาแล้วก็เข้าปฏิเสธและพระยะลงโทษส่วนมากจะเป็นแบบนั้นแต่ความที่ไม่เหมือนนั่นแะของเรื่องของกลุ่มชนนบียูนุส น, นี่ว่า ai, เฮ้ยไอ้เขาเขาอากันนี่เขายอมยอมเัินนี่ จึงเป็นเหตุผลที่จะให้เรียกซูรานีว่าซูรัสยูลุสในก่อนเกี่ยงแต่ละซูรานี่ก็จะถูกเรียกว่าเป็นซูร์อะไรเนี่ยเพราะมีเรื่องราวอะไรที่มันแปลกแล้วเวลาบากันบอกว่าแต่ละซูรานี่จะต้องมีอะไรที่มันยั่งยืนทํำไม ทุกยุคทุกสมัยในพระคุมภีรนี่ถูกประทานลงมาจะได้เป็นคําภีรของมนุษยชาติตนอดการฉะนั้นในทุกยุคเนี่พรเราอ่านยุคไหนในก็ตามนี่ผ่านไปแล้วเนี่ยพันสี่รอกว่าปีเนี่ยพระอัสสรณฐยูนุสเนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยเขาจะอ่านสุร้อนี้หรือสุร้อไหนก็ตามเนี่ยจุดนั้นแหละแต่อย่างเช่นของสุรัลเบกระสุรัลเบกระ ทุกยุคทุกสมัยนี้ก็จะรู้สึกว่าเมีส่วนเกี่ยวข้องกับสุรนีเรื่องนี้กับปัจจุบันทุกยุคทุกสมัยอย่างสุรัลบากระเอาอยู่ดีๆก็มีเรื่องเรื่องวัวของยูนี่ซึ่งในสุรัลบากระก็เล่าเรื่องวัวของยูใช่ไหมอันนี้ปัจจุบันก็มีเรื่องวัวเหมือนกันเออกระสุนอัลยูนุสแหละกระสุนยูนุสนี่ยาสนะทูที ไม่ได้ทำหน้าที่หนีไม่ทำหน้าที่ก็มีคนนึงนะคนที่เรียนศาสนารู้เรื่องศาสนาแล้วก็ไม่เอาไหนมีเยอะอเยอะแล้วมีอะไรน่าสนใจนะกุมชนนบียูนุสปฏิเสธศรัทธาไเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่วันดีึ้นดีพอหนบียูนุส ไ, ไปพูดนิดเดียวเข้ากันหมดในทั้งแสงคนนะ ออในปัจจุบันนี่มันก็มีแบบนี้วันดีขึ้นดีนี่ก็มีคนที่รับอิสลามนับพันนับหมื่นนับแสนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คนข้อบุลลี่อิสลามซีเนะบดกัญญาแทนที่คนจะเตลียดอิสลามเขียนมุสลิมเนี่ยปรากฏว่าคนรับอิสลามมากที่สุดเป็นสถิติเป็นประวัติการันตุลานี่ งสงครามกาซาเนี่ว่าคนอเมริกาคนยุโรปนี่นึกว่าเขาน่าจะเข้าข้างยิวแล้วก็เกลียดมุสลิมนะก่อาการร้ายทําสงครามสร้างความวุ่นวายประวัตนี่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เ น, นี่ยอเมริกาและยุโรปเนี่ยเสรีดการรับอิสลามเนี่ยประวัติการเหมือนกันและในสุรศยุนสัสเนราจะรมีมีอะไรหลายอย่าง ที่มันมีความเหมือนความคล้ายคลึงระหว่างยุคท่านนอพยูนุสกับยุคของเรานี่นะครับเป็นแผนเนื้อหาของโซลเดียยูนุสที่มีเนี่ยเพจเพจหนึ่งเขาเป็นเพจของเชคอิบราหิมดูเอชนะเขาก็พยายาม สรุปเนื้อหาของแต่ละสุร์นี่ยตามเน็ตในพี่น้องสามารถไปดูได้แต่เป็นภาษาหรับนะผมก็จะพยายามพยายามที่จะสรุปให้เราได้รับรู้รับรู้บ้างผมก็มาสรุปในช่วงแรกนะครับสิบอายะแรกเนี่ยเนี่ยสุรัตยูนัสเนี่ยเขาบอกว่าสุรัสุรันี่เนี่ยมันพูดถึงเรื่องหลักทณาต่ออัลกุฎะลกกุฎุลกุศะภาะหมายถึงว่า เดชานุภาพของเราในการกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปลอบใจว่าพวกเราถ้าเชื่อว่าพระเจ้านี่เป็นผู้กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราไม่ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรมา ก, พกเพราะพระองค์นี่วางทุกสิ่งทุกอย่างเนี้เรียบร้อยที่สุดเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ทรงปรีชาญาณพระางค์จะไม่ทําอะไรเละเธอต้องเข้าใจเรื่องนี้นะ ในมิติชีวิตของเราเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเรานี่เราต้องเชื่อนะเนาะไม่ได้กําหนดอะไรมั่วมั่วมั่วอาจจพูดเหมือนเหมือนวัยรุ่นเหมือนเด็กวัยรุ่นเนี่ยเพราะเพไม่มัม่วบางคนเนี่ยก็จะชอบทําไมแล้วทำไมอ่านนอยย่เนี่ยแล้วทำไมนยหรือบางทีนี่็เราออนอ่อนแอแล้วก็ไปยอม ฟังเชตตอนนี่นี่โดนี่มึงนี่มึงโดนอยานีโดนมึงไมบทำไมไปเนี่สียงชตตอนประมาณนี้นะนี่เองโดนแบบนี้ทำไมไ้คนนั้นทไมโดนมางอ่ะชตตอนกริบกราก็ตอบกตอบแบบไม่ง่ายนะครับทุกอย่างที่เราได้พบนี่แม้กะเป็งเรื่องที่เราอาจจะมองว่ามันเลวได ถูกรบชนมรสบอุบัติเหตุโดนนูนโดนนี่พะละ ก, กับเมียทะลาะ ก, กับลูกลา ก, ก, ก, กับพ่อแม่ทะเลากับเพื่อนบ้านมีปัญหาเรื่องนู่นไปเบิกเงินดิจิตลไม่ได้ว้าทำไมะบงคนทาไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมชีวิตทำไมทำไมชีวิตต้องเจอแบบนี้ เคยไหมเคยเคยคิดแบบแบบนี้ไหมอ่าเคยไหมในชีวิตเนี่ยอะไรอะไรที่เจอแล้วก็ไม่พอใจที่ประเทศอาหรับเนี่ยก็จะมีคนแบบนี้เยอะไม่รู้บ้านเรานี่มีแต่เาเาคือเขาไม่พอใจต่อพระเจ้าแล้วก็พูดออกมาเป็นเป็นตัวเป็นตากเลยพูดออกมาเป็นสุภาษิตเลยนะ ไอ้พวกที่ไม่พอใจอัลลอฮ์เนี่ยออกมาพูดมาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสุภาษิตเลยออย่างเช่นเห็นคนหนึ่งรวยรวยมากแ ต, แต่ติ้งต้องหน่อยเขาบว่านี่อัลล์เขอ่านี่เราจะให้ให้ตุ้มหูกับคนที่ไม่มีไม่มีหูประมาณเนี้ยก็หมายถึงว่า ให้เนี่ยไมใ่ให้รยงเสีจจ่ย้ปัจเจ้ายงชีพกับคนนี้ไม่ควรไม่ควรได้อะ แ, แสดงความไม่พอใจที่จริงเราเกือบทุกคนนี่จะมีแต่ผู้ศรัทธานี่จะพยายามระงับเรื่องนี้ไม่คิดไม่คิดทำไมทำไมคนนี้ได้ทำไมฉันไม่มีดูสิคนนี้เนี่ยเอางอให้เขามีแบบนี้แล้ว ยังไปเกเรไปวัดไปทำได้คนอื่นมาถ้าฉันมีนะั่นนะฉันคงไม่ใช่เลิกเธอแบบนี้หรอกฉันทําไมเลาไม่ให้ฉันบ้างล่ะเวลาเราเจอการกระซิบกระซาบของเชตรตอนแบบนี้หรือถ้าหากว่าเราบางอาจคิดคิดเองนะเป็นแบบนี้อ่านโซโลจูดิสมาหรือว่าตอบง่ายๆนะครับเร า, าไม่มั่วเราเชื่อมั่นเธอ อัลลอฮ์ไม่มัวอ ah ah ัลลอฮ์ไม่กําหนดอะไรเลอะเทอะอัลลอห์ حكيم หมขนาดคุรานของอัลลอฮ์ฮักกิมคุรานของอัลลอฮ์เนี่ยมีวิทยาปัญญาและผู้ที่กล่าวผู้ที่ประทานพระดำรับที่มีวิทยาปัญญาเนี่ยจะไม่มีวิทยาปัญญาดิ่งช่วงแรกของสุรัตยูนุสเนี่ย ก็จะมีสิบอายะแรกนี่ก <ix> ็จะมีพวกเนี้ยอับดุลิดึงสอนไงเจออะไรนี้เจออะไรที่เราไม่พอใจเงี้ยเมื่อกี้เนี่ยเออขายตลอดเนี่ยแต่เขจะมาใช้ันบรรดาฮะการั๊ดดาร์อัลลอฮฺหัมาเชฟะลละฮ์กำหนดและสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ย่อมทําได้เป็นพระอํานาจ เป็นพระอำนาจคเราใช้ตะ ก, กะนี้กับมนุษย์ดีกัน่ mm. นักงานในบริษัทจะมีเจ้านายเจ้าของบริษัทสันน่งแบบนี้เอาโต๊ะอีมวางตรงนี้เอานี่ไปทิศไปนำงานด้วยนถามว่าเฮ้ยทำไ ม, ม, มสาสั่งแบบนี้นะคำตอบมันเป็นเจ้านายมันเป็นเจ้าของบริษัทยิ่งอะไรกับเขา นี่เราเรแต่ ก, การนี้เราใช้ด้วยกันเองกันนะมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นนี่มนุษย์ย น, นี่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงไม่ได้เป็นเจ้าของถาวรนะเรียกว่าเราเนี่ยเราเนี่ยครอบครองอะไรในโลกนี้เนี่ยครอบครองโดยนามมาทำให้ดึ้งว่าอัลลอฮฺให้เราเป็นผู้ถือครอบครองชั่วคราวก็ได้เรามีตังอย่างเงี้ยเรามีสตังมีอยู่พันบาท ไอ้ตอนนี้ของของฉัน่จริงนี่ไม่ใช่สัพพสิงทั้งหลายนี่ทั้งหมดนี่มีเจ้าของเดียวคือพระเจ้าแล้วเราล่ะอาม่านี่ให้เราได้ครอบครองทรัพย์สินเหล่านี้ในช่วคข้างเราต้องสอบดูว่าเราจะจะทำยังไงฉะนั้นสุรยุนุสนี่จะปอวใจท่านนบีสุลานละาิซเลมปาวใจบูสะา เจออะไรในโลกนี้ทั้งหมดนี่นะยังงุดงิดอย่ารำคาญใจอย่ารู้สึกไม่สบายใจอย่าได้ระคายเคืองอารมณ์ให้ใจเย็นๆให้ตั้งสติและบริหารชีวิตเนี่ยให้สอดคล้องกับคำสัง่งสอนให้มากที่สุดแม้ว่าจะเป็นเรื่อง ผู้ปฏิเสธศัทธาที่ไม่ยอมรับในกุรานส่งอายแรกเนี่ยไม่ยอมรับในกุรานปฏิเสธกุรานอ้างอะไรมากมายเหตุผลที่พี่เขาไม่ยอมรับในกุรานซึ่งเปนเรื่องที่ทําให้ต้องทําให้ท่านนบีซอลลอฮฺเส้นลำต้องต้องรู้สึกไม่สบายใจมากและในช่วงช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งนบีเครียดมากนบีเนเห็น ความอาัศจรรย์ความมหาอัศจรรย์ของอัลกุรอานแต่พออ่านให้คนฟังนึ้วมันไปที่เฉยเลยก็ไม่เครียดหนึ่งไงแล้วมีเพชรอยู่เม็ดนึงน่งอะะเพชรอยู่เม็ดหนึง่งแล้วเรารู้ว่ามันของจริงของแท้มูลค่าของมันเนี่ยสองล้านบาทแล้วเราไปหาเพื่นอนบอกอ่ะฉันให้ให้เลยให้ฟรีเลยเพชรเม็ดหนึงน่งในสองล้านบาทอะให้เลยปรากฏว่า เพื่อนบอกไม่เอาของไม่จริงรู้สึดยังไงเรามีของแท้ในมือนะ่ยแล้วแล้วเราใจบุญอะไคนนะั้นบีเอาคุรานอาเอาไปเลยไม่เอาของไม่จริงอะไรก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้ก็ บ, บีต้อง <c oughs> เจ็บใจไหมแล้วแบบนี้มาดิเจอคนเดียวนอะส่วนมากอะาบบ่ะมาดิเสตก็มีนะ นบีก no ็ต้องต้องรู้สึกไม่ดีสิและสำหรับคนที่เดินตามรอยเท้าท่านนบีเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเหมือนท่านนบีสุลต่านลมเมื่อกุรอานของอัลลอฮ์นี่ถูกปฏิเสธก็จะรู้สึกเหมือนท่านนบีละอันนี้อันนี้เป็นสมการละเรายิ่งทาหน้าที่เหมือนท่านนบีเรายิ่งรู้สึกมีความรู้สึกมี feeling เหมือนท่านนบีสุลต่าละฮะะยซแบกภาระของศาสนาะเรายิ่งทำเหมือนท่านนบีเรายิ่งรู้สึกภาระของการทำงานศาสนาของท่านนบีถ้าคนที่ไม่เอาไหนนี่ก็คือคนที่นบไไีไม่ไม่ดีอยู่ไม่ไดีอยู่ในบริบทสมองของเขาเลยเขาจะรู้สึกยังไงภาระในการเผยแผ่อิสลามภาระในการทำงานศาสนาะไม่ได้อยู่ในสมองของเขา ว่ามีประโยชน์อะไรล่ะในการศึกษาชีวประวัติของท่านนบีสุลตอานจะได้รู้อัลมลาะห์เขาบอกว่าความเข้าใจกุรานนะซึ่งมันคนละศาสตร์กันเลยกุรานกับซีรอเนี่ยชีวประวัติของานนบีคนละศาสตร์กันเลยนะแต่วลมาะหได้บอกว่าศาสตร์ของชีวประวัติของท่านนบีนยิ่งศึกษามากขึ้นทําให้เราได้เข้าใจกุรานมากขึ้นเพราะอะไร อักุตอ่านเนี่ยถูกประทานลงมาอย่างท่านนบีเราจะได้รู้สึกฟีลลิ่งของท่านนบีความรู้สึกของท่านนบีตอนรบับกุตอ่านลงมาเราต้องเราต้องศึกษาดนรายละเอียดของการใช้ชีวิตของท่านนบีทาให้เราเข้าใจนบีมากขึ้นเรื่องหลักฐานความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสามอายะนที่สามถึงอายะนที่ห บอบใจท่านนบีวะนายบีจะไปเสียใจทำไมพระเจ้าที่ประธานกุฎอ่านลงมายัางท่านเนี่ยคือเจ้าของโลกจักรวาล น, นี้ทั้งหมดเจ้าของโลกนี้ทั้งหมดเหมือนเราไปทําธุระหรือราชการหน่วยหนึ่งคนที่สั่งให้เราไปทําธุระไปทํากิจกรรมเนี่ย เป็นรัฐมนตรีเป็นอธิบดีเป็นประหลัดของกระทรวงนั้นนะั่ะพอเราไปแล้วเนี่ยไอพนักงานราชการบางคนนี่ก็ไม่ตอนรับดีไม่อะไรนี่เราก็รู้สึกตัวเลขรู้สึกน้อยใจเพราะยกหูปหลัดบอกว่าเอา็รู้หว่านี่หน่วยงานนั้นนะ่ะผมคุมหมดเลยนะบอกมาเลยว่าใครใครดังแกใครบุลลี่ใครแก้ง เราจะจัดการได้เลยนี่เรากำลังปลอบชันต์จะไปเสียใจอะไรนีนโลกจั ก, กรวาล น, นี้ทั้งหมดเนี่ยพระผู้ทรงคําสั่งสอนยังเจ้านี่คือพระผู้อภิบาลเจ้าของโลกจั ก, กรวาล น, นี้ทั้งหมดแร่ยะที่เจ็ดถึงสิบเนี่ยก็พูดถึงการปฏิเสธิ์ศรัทธาและการศรัทธาและผลลัพธ์ของสองกลุ่มคนที่ปฏิเสิทธิศรัทธาและคนที่ศรัทธา ตอนแรกนิวางแผนว่าซูรตยูนุสเนี่ยจะพยายามเร่งอธิบายให้เร็วกว่าซูรตเตวบะและวางแผนว่าจะได้สักสิบอ้ายาในวันนี้แต่ผมก็อย่างที่บอกเป็นสามัญชนเหมือนคนทั่วไปชอบโยนโทษให้คนอื่นก็วความผิดอยู่ที่พวกคุณนี่แหละที่ทำาไม <laughs> ทำไม้ผมเนี่ต้องต้องอธิบายอะไรบางอย่างเยอะไปหน่อยนะครับแต่วันนี้ผมดีใจนะเพราะเดี๋ยวจะมีพี่น้องที่จะมารับอิสลามแล้วก็มาเป็นพี่น้องของเราอย่างแท้นะผมก็เลยดีใจตื่นเต้นตื่นเต้ น, ต น, ตนยิ่งตื่นเต้นไปอนะครับถ้าได้สักสองอายะก็ยังดีเนาะดีไหมไม่ไม่ไม่โกรธนะ ก็พ่อไา้ว่าอัตราแบบนี้เหมือนเหมือนสุลต่านบ้านนี่คงจะได้เจอนะได้ได้เจอพิ่ทาป็นนายกแน่นอนเพรนี้ขนาดอตตบ้านี่ก็ได้รัฐบาลแบบนี้นะ่ะคงได้ดิบได้ดีนะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็จะยุบเปล่าก็ไม่รู้บางคนบกวฝันไปแล้วเอง ฟปลงายๆอยู่ในบรรดาอายะที่เริ่มต้นด้วยฟวาติฮุสวร์ฟาติฮคุคุณไหมฟาติฮ์เป็นคำพหุพจน์ของเอกพจน์ของมันนี่คือแฟติฮ์แฟติฮเนี่ ย, อ เ, ยเอกพจนะ์นะนมไปว่าเปิดแต่ถ้าเป็นเพศชายกับแฟติฮถ้าเป็นเพศหญิงก็ฟ้า ตีห์ตีห์ฮะขอบคุณพระเจ้าแต่ฟาตีฮานี่เป็นสุรานะสุรัตน์สุรานี่เรกว่าฟาตีฮเพราะเปิดกุรานแต่นี่มันเป็นอายะเดียวเปิดสุรห์เขาเรียกว่าฟาตีฮ์เป็นบรรดาอายะที่เปิดสุรหต่างๆซึ่งจะเป็นอายะประเภทนี้ที่เป็นตัวอักษรอลิฟลามรอ อลิฟาลามรออัลิฟอักษรอักษรอัลิฟอักษรลามอักษรรอรวมแล้วคนทั่วไปเนี่ยไม่รู้ความหมายแต่คนทั้งหมดนี่รู้แหละ ว, ว่าอลิฟล า, ามรอนี่คือตัวอักษรอาหรับรวมแล้วไม่มีความหมายสำหรับคนทั่วไปนะแต่เขาก็คนทั้งหมดนี่ก็รู้กันว่า สามอักษรเนี่ยและก็อักษรอื่นเช่นต่อซีนมีหมายซีนกอบกาบอายาไอซอดฮามีมบรรดาอาญาที่เปิดโรลต่างๆเนี่ยมันก็คืออักษรเดียวนี่แหละที่ถูกใช้ประกอบคำและประโยคในคุรานจึงทำให้อุลมาส่วนมากเนี่ยอธิบาย พวกฟะฮ์แตเนี่ยพวกอายะที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่ไม่มีความหมายขณะประกอบแล้วนี่นะอธิบายว่าอุลมาส่วนมากนี่ก็จะอธิบายแล้วกันนี่คือทัศนะของสารลับส่วนมากนียมันประชันยุคแรกที่เขาเนี่ยอธิบายกุรานว่าอลิฟลามมรอก็คือบรรดาอักษรที่ไม่มีใครรู้ความหมายนอกจากพระเจ้า แต่มันคือตัวอักษรเดียวกันที่ใช้ประกอบคําและประโยคอื่นๆในกุตตานอันเป็นอัศจรรย์ยิ่งสําหรับคนที่อ่านไปทิ้งว่าพราะเราอ่านกุตตานอ่านสุราอ่านบทต่างๆมันก็มาจากอักษรนู่แต่เช่ไหนเลยอักษรที่เราไม่ได้เข้าใจความหมายเนี่ยมันก็คืออักษรที่มันสามารถประกอบคําที่ที่มีความอัศจรรย์ยิ่ง เราม่จิ้มปากวะ Allah سبحانه ะถ้าถายชาวอาหรับซึ่งชาวอาหรับเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องวยากรเรื่องเรื่องเรื่องภาษาประกอบคำเรื่องเรื่องกวีเรื่องกลอนนิทานก่งในเรื่องภาษานี่เขาเก่ง เขาบอกว่าก็นี่ไงอลิปแลมรอนี่นะที่พวกคุณเนี่ยอ่านปรอนกันก็นกนใช้นี่แหละอลิปแลมรอนี่แหละที่พวกคุณพูดสวยๆงามๆามนี่นะก็ใช้นี่แหละทําได้ไหมเอาอักษรนี่แหละท้าทายพวกคุณทําได้ไหมเหมือนคุณอ่านเนี้ยทำได้ไหมซึ่งคําทาเนี้ที่มันจะคู่ขนานกับบรรดา ขอคที่ประกอบด้วยเพียงอักษรเนี่ยมันจะเป็นคำท้าอยู่คู่ขนานกับขอคัทุกอคัเนี่ยสำหรับอาหรับและคนนี้ไม่ใช่อาหรับแต่อ่านพุนอ่านเข้าใจเป็นการท้าทายตลอดกาลให้ทำและทุกวันนี้ผ่านไปแล้วพันสี่ร้อยกว่าปียังไม่มีใครรับคำท้ายังไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยไนนิดเดียว เดวทำให้เคยมีคนที่อ้างว่าเป็นนบีมุไซลมะสมัยท่นนบีอ้างว่าเขาเขาทำได้แล้วเขาได้รับเงีรับคุณอ่านเหมือนนบีมุฮัมมัดนี่แหละแล้วก็มีซาฮาบะบางคนเนี่ยก็ไปพบอยากจะดูก็ดีไอหมอนี่มันแล้วมันก็ออานอะไรเลอะเทอะนะอ่านอ่าน อ่านคำอะไรก็ไม่อาร์มรับเนลลาสนี่ยไปพบมุซซเลมบอกว่านี่ไงท่าฟังแล้วกูอ่านของฉันจะศรัทธาไหมอารมรบอกว่ามึงก็รู้ว่ากูรู้ว่ามึงโกหกมึงรู้ว่ากูรู้ว่ามึงก็ทะเลก็นึกว่าอาหรับนี่เขาเขามีปัญญานะในการที่จะ ขนาดศัตรูนบีผู้นําของกุเรชเนี่ยที่มา ก, การเนี่ยเขารวมตัวกันทํายังไงดีอ่ะเราจะต่อสู้กับมุฮัมมัดได้งไงอ่ะเราจะบอกว่าคุณอ่านนี่คุณอ่านนี่เป็นเยศาสตร์เป็นอ่านี้เป็นเยศาสตร์ไหมเป็นเป็นกรอนไหมเป็นนู่นเป็นนี่ไหมทั้งหัวเนี่ยเราจะหลอกชาวอาหรับไม่ได้ชาวอาหรับนี่เขาก็เขาก็อ่านกรอนเป็น เศษาสตร์นี่เขาก็รู้ว่าเป็นอะไรนี่ไม่ใช่เลยแล้วเขาต่างคนก็ยกย่องสรรเสริญกุฎารว่าสวยงามมิ้วยังขณะที่ตอนดั้นนบีละหมาดทิมัก้าเนี่ยละหมาดเตียมุตเลงคืนน่ะเขาจะมาแอบฟังได้ไหนะแอบฟังกันเพลิดเพมากจำนวนกุฎา น, นิ่งงามสวยงามมาก จึงเป็นเรื่องที่ทุกวันนี้เนี่ยทำไม่างศาสนาอิสลาหลายคนก็ยังถือว่าเป็นจุดแข็งที่สุดในกุรตาเพราะคำท้าทายนี้ทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครยังไม่มีใครรับคำท้าได้แต่กคุรตาขึ้นมาเนี่ยไม่ ม, มคำบีอื่นๆนี่นะแต่และคำบีเนี่ยโอ้โหแต่งกันจน จนถึงขั้นดิดแต่งไปแต่งมาถึงต้องต้ ง, ตงสังเขยนา <c oughs> คือถ้าหากว่าเนียบมากก็เลยไปสังเะยได้ไหมถ้ามันเนียบมากกูอ่านเคยมีไม่พันสี่ร้อยปีพันสี่ร้อยปีนี่มันสมัยนั้นผ่านไปแล้วสามรอยปีเนี่ยโอ้โหดูคนนู้นก็ยัดเยีดยดกุอ่านบทนี้มาว่าหนึ่งร้อยสิบสี่ศูนย์ตั้งแต่สมัยท่านนบียันถึงวันนี้นะไม่เคยมีนะในะยุคนึงอนะ่ะเอ้ยกูอ่านอยู่ดีๆก็กลายเป็น สองร้อยสุรย้ยเงี้ยเฮ้ยว่ายิงละกะ้ก็ยิ่งยิ่งเก่าแก่ก็ยิ่งเพิ่มบทมากขึ้นนะนะสัตว์ที่เจ็อย่างเงี้ยคุณอ่านกลายเป็นพันสุรอย่างเงี้ยไม่มีคุณอ่านจึงไม่ได้รับการสังเคาะนาแม่แต่ครั้งเดียวแม่แต่ครั้งเดียวไม่มีการลดไม่มีการตัดสุร้อยเดียวอายุเดียวอักษรเดียวไม่เคยมี รวบรวมท่านสมัยท่านนบีสลตอเลสล ท, ที่จารึกไว้ในบรรดากระดาษหรือหนังสัตว์หรือกระดูกกับสิ่งที่สาบะได้ทรงจงจดจำไว้และพอมารวบรวมอีกครั้งหนึ่งพอมาเทียบเอาเนี่ก็พบว่ามีความเหมือนเป๊กเป๊เยทุกอักษรทุกซูลล์ทุกคำและก็ไม่มีใครสามารถอ้างว่าถูกสังคายนาหรือถูก เพิ่มเติมบ <crate> ิดเบือนหรือถูกเปลี่ยนแปลงแม้แต่ครั้งเดียวข้อเท็จจริงเวลาเราอ่านอลิฟลามรอเนยาถึงแม่ปะข้อเท็จจริเวลามาส่วนมากบอกว่าไม่มีความหมายลืมบอกว่าแต่ก็มีข้อเท็จจหนึ่งตั้งแต่สมัยซาฮับนะเขาบอกว่ามีที่มันมีความหมายเช่นอัลดุลลาบิอัลบาส อัลลอฮ์เนบัซซีถือทฤนีนว่าแต่ละอ า, าทีมีอักษรแบบนี้นะมีความหมายแต่ไม่ทุกค น, นรู้อันนี้แล้วแต่คนตัวอัลลอฮ์เนบัซซเนี่ยเข า, า ม, มีความเห็นว่าแต่ละอักษรเนี่ยเป็นอักษรย่อของคาเช่นอลิฟเนี่ยอลิฟเนี่ยแทนสรรพนามอันะลมเนี่ยแทานนามอัลลอ รอเนี่ยแทนการีอะอรอพอมาประกอบแล้วเนี่ยอลิฟลลมราอันัลลอฮุอั ล, ลาอฉันเนี่ยข้าเนี่ยคืออัลลอฮ์ผู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ทศนาของอัลลอฮฺมิอาบบัสน่ะมีความหมายแต่เรื่องจากว่าลักการ ของอิสลามว่าด้วยเผยแพร่คำสั่งสอนจะต้องใช้อัลกุรอานต้องใช้อัลกุรอานเป็นตัวบทในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยและตัวบทนียจะต้องเป็นตัวบทที่สามารถให้เป็นที่เข้าใจสำหรับมนุษยชาติทุกคน ซึงเป็นที่ยอมรับกันในบรรดาปราศและก็วิชาในวงวิชาการผู้ยุคยุกสมัยเนี่ยว่าไม่ควรสําหรับคุณอ่านที่จะมีความหมายลึกลัำเป็นความหมายที่สามารถรู้สําหรับบางคนและคนอื่นเข้าถึงไม่ได้เพราะจะถามว่าอลิบลามรอฮามีหมายสิ่กอบการที่มีไม่กติกาอะไรที่สามารถให้ คนทั่วไปเนี่ยพอที่จะรู้ละอธิบายว่าอักษรย่อเนี่ยหมายถึงอะไรโอ้ไม่มีไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักวิชาการแน่นอนตายตัวอุลเลมาส่วนมากก็เลยไม่ค่อยให้น้ําหนักกับณะนี้มแต่ก็เช่นเดียวกันแล้วเราจะปล่อยไอ้อลิฟแลมรอนี่อ่านอลิฟแลมโรรู้สึกยังไงอนี่อลิฟแลมรอแล้วเราอ่านอลิฟแลมมี กานไม่เขียนอ็นก่านไม่ทีไนะไนะพที่เราคุยกันว่าุอานนมุอดิมอิคุอานมีความอัศจรรย์เป็นมหาอัศจรรย์ทุกส่วนนะทุกส่วนแม้ว่าจะเป็นอายยาวอย่างเช่นอายาตุลมุดายนะสุรุตอัลบคารอนี่อยาาวมากเกือบหนึ่งหน้าน่ะพูดถึงเรื่องนี้สินเรื่องนั้นหรือจะเป็นอายาสั้นๆนะที่มีความอัศจรรย์เหมือนกันนะนะ ทั้งหมดเนี่ยอ า, าจารย์รวมถึงอลิลามรอต้องมีผลลัพธ์ต่อผู้ศรัทธาต่อผู้อ่านอัลกุรอานเช่นเดียวกันนี่มาเรียนกุรอานกันเรียนความหมายอัลกุรอานกันเราต้องมีเราต้องมีเราต้องรู้สึก ในมาเรียนมามากันทั้งทีนี่เนี่ยนฝนตกรถกลับก็กระวังนะระวังด้วยนะกลับมากันทั้งทีมาฝนดีเชตตอนก็มามึงได้อะไระมาเรียนเรียนวนันนังขานี้มึงได้อะไระเสียเวลาเสียตังนั่งรถเมยบางคนก็นั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็เปียก กันลิกบางคนก็นรถชนกันนี่ไงนี่ไงก็บอกแล้วว่าอย่าไปเนี่ยบอกแล้วบอกกันไไม่เชื่อไหมซีโครงหักเลยเนะี่ยเคยมีไอ้พ <c oughs> <c oughs> ีน้งบางคนตลอดชีวิตเนี่ยนะครับมรดชายนี่ไม่เคยประสบอุบันะติเหตุเลยเนะมองเนยผมมาเรียนต็มเส้นนี่แล้วันนังข้านี่แหละ <c oughs> ดันโดน ชียตอ น, นเร่อ ง, งานนั้นดี่แหละไหมตัวเองเห็นไหมผมก็ต้องเออก็ต้องมีอะไรให้พี่น้องไปสู้กับเสียงกระซิบของชัยตอนพา oh, ชัยตอนนั้นชยตอนนี้มากระซิบบอกว่ด้อะไรก็ต้องมีคำตอบบ้างเอยมาแล้วก็คุ้มมาแล้วก็ ได้ร yeah, ู um Allah, earth, yes, God, Matthew, come, ้บ้างว่าตอนอ่านคุณอ่านนะเคยอ่านอเลฟลามโร่ก็อ่านแบบนั้นนะลิฟลามร่กับลิฟลามโร่ลิฟลามมีและอะไรเ่ยเราต้องทาอะไรจะได้รู้สึกว่าอ่านแล้วก็เหมือนที่เราอ่านคุณฮุ่นละหุ่ละพัดอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีมมีมีอิทธิพลนะในงานอ่านฟาดฮัยเนี่ยมีอิทธิพลนะเราทำไอเลฟลามก็คุณอ่านเหมือนกันนเป็นอายะเหมือนกัน แต่ไม่มีอิทธิพลได้ไงต้องมีอิทธิพลสิถ้าเราอ่านแล้วถ้าเราอ่านแล้วเราก็ต้องรู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลลัตที่ที่ที่เราได้เห็นความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานเพราะทุกครั้งที่เราได้อา่านอัลิฟลามีวัลลิฟลามรอว่าว่านี่ไงมันยังเป็นตัวพิสูจน์ว่ากุรอานของเราเนี่ยยังไม่มีใครหักล้างได้ ทุกวันนี้เนี่ยที่เราได้อ่านกุรอ่านแล้วก็คนกําลังศรัทธาในกุรอ่านทำไมที่ศรัทธาสัตว์ละคนศปีละคนวันหนึ่งศรัทธาในคนเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วคนที่ศรัทธานี่ไม่ใช่คนธรรมดานะแบบนักวิชาการอาจารย์มหาลายันะนายนักเคลื่อนไหวดาราเป็นคนชั้นนาชนชั้นนาในสังคมะอะเพราะอะไร แต่ว่ากุฎี น, นี่ไม่สามารถกรดิกหัวใจของเขาได้ไม่สามารถขยับจิตใจของเขาได้นะเขาจะจ ะ, จะมาเปลืองตัวทั้งดังดีอิสลามนี่ถูกโจมตีคือคนคนที่จะมารับอิสลามนี่ไม่ใช่ว่าจะจะสง่างามนะไม่รับอิสลามนี่โดนข้อหาสารพัดเลยสารพัด ท, ท, ทุกวันนี้นี่ เรามีคุตอานซึ่งเป็นพระดำรัสที่มาจากพระเจ้าส่วนหนึ่งที่พระเจ้าได้ได้กล่าวให้เราได้ฟังเนี่ยอลิฟเลมรออัลลอห์ขอบคุณขอบคุณที่เราได้มีโอกาสครอบครองคุรตานที่พระองค์ประทานลงมาให้เนี่ยและพระองค์ได้คุ้มครองคุรตาน ให้โลกทั้งหมดเนี่ยได้ยอมรับได้สยุดไม่สามารถท้าทายหักล้างกุรานได้แล้วเราแลเรารู้ไงว่าทุกครั้งที่เราได้อ่านอัลิฟลามรออลิฟลามีมฮามีมเนี่ยเรารู้ว่าโชคดีเหลือเกินที่เราสามารถเข้าถึงกุรานได้แล้วก็อ่านกุรานได้อลลิฟลามรอนี่แหละอักษรง่ายๆแบบเนี้ย ที่อัลลอฮ์โดยโดยพระเดชานุวงพระองค์เนี่ยที่สามารถประกอบคําและประโยคบทสุร่างต่างๆที่ให้คุรานี่สามารถเป็นทางนําสําหรับมนุษยชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคุรานนี้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของมนุษยชาติในสังคมผู้านที่สามารถ ให้ความสว่างกับคนที่กระหายกับความสว่างคนที่อยู่ในความมืดมนสามารถเห็นแสงสว่างในกุฎอ่านเราโชคดีทุกครั้งที่เราได้อ่านอลิฟลามรออลิฟลามมีไม่ใช่อักษรที่ไม่มีความหมายแต่มันเป็นอายาที่สะกิจใจว่ะรู้ไหมว่ากุฎอ่านที่ตัวเองอ่านในทั้งหมดเนี่ยก็มาจากอักษร น, นี้แหละมาจากอักษยรย่อนี่แหละ รู้ไหมว่าที่ตัวเองภูมิใจในคุตตานเนี่ยก็เพราะอักษรง่งายๆนี่แหละที่เองกําลังอ่านอยู่เนี่ยลิกลามรอฮามี ม, มพอลรอ่านสุระอื่นอายัก์อื่ น, น, นเนี่ยเราก็ต้องภูมิใจว่าการที่เอาล่อท้าทายคนทัท้ท ง, งหลายเนี่ยบอกว่าในละกิก่งละเกินก น, นั่นก็จริงดูสิอักษรอย่างอัลลิบเยียงลามอย่างรออย่างฮาอย่างมีมเนี่ยทำหน่อยสิทำได้ไหม แล้วเหตุผลนั้นเหตุผลที่ท่านนบบี้โซโลมาเรื่องนั้นได้บอกว่าอ่านคัตอ่านทุกอักษรได้คะแนนหนึ่งคะแนนถึงสิบคะแนนไม่มีเพื่อจะได้ยืนยันนะนะว่าอักษรเนี่ยคืออักษรจริงๆนับี้มานบอกว่าละกูลู ไม่ด้คำารเจ้าไม่ได้หมายรวมหมดอลิฟลามีมอลิฟลามีมหนึ่งอักษรนะว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าอ้ออักษรนี่ก็ต้องอักษรที่ประกอบคําดีรู้เรื่องมีความหมายแต่อลิฟลามีมเนี่ยมันก็คืออักษรน่ะไม่มีความหมายในวีบอกก็ไม่ใช่ข้าไม่ไดีหมายรวมคำบรรเจ้าไม่ได้หมายรวมหมดอลิฟลามีมหนึ่งอักษรน่ะไม่อลิฟหนึ่งอักษรลามหนึ่งอักษรมีมหนึ่งอักษร รวมแล้วนี่สามอักษร น, นี้คูณสิบนี่ก็คือสามสิ บ, ส บ, สบอ่านอลิฟลามรอนี่นะเออเอลิฟลามรอเนี่ยก็เท่ากับอ่านติลกะติลก้าลาวนี่ติลก้าลาวนี่แค่ติลก้าดีกว่าสามสิบแล้วไงมีความหมายนะติลก้มีความหมา ย, า ล, มามมายลาวนี่แล้วกอลิฟแลมรอนี่เราก็ไม่เขาา้าใจใช่ไ่มไม่เป็นไรแต่เราเขาา้าใจความ ความหมายร่วมของอลิฟลามรอแล้วเนี่ยมีมูลค่าเท่ากันได้สามสิบมงกุฎอลิฟลามรอเออได้สามสิบมงกุฎฮามียี่สิบฮามียี่สิบฮามีไมนซีนกอฟห้าสิบห้าสิ บ, สบทั้งนั้นที่เป็ตักซอสเนี่เราทั้งหมดเนี่ยไม่มีคือไม่มีไม่เกนะ็ตะ แต่สิ่งที่ไ้อธิบายไปแลกตามอธิบายของปราชมุสลิมส่วนมากกันนะมันจะทำให้เราได้เห็นคุณค่าของอักษรเราในะบางทีเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรมาเช่นซาฮาบะเขาเดินทางเ <c oughs> ดินทางจากมดินะไปอีบ ดังวันีหน้าไปยิบนี่ยประมาณสองพันกิโลเพราะมีคนมาบอกว่านบีเคยพูดหะดิษนี่บอกว่าแน่นอนบ้าว่าไม่แน่นอนแล้วก็มีใครที่เคยได้ยินหะดิษนี่บ้างอ่ะว่ามีซาฮ์บคนเดียวที่เคยได้ยินหะดิษนี่อยู่ที่อิบเพราะซาฮ์บอันนี้เขาหลังจากนบีเสด็ชีวิตเนี่ยเขาก็ไปเิฮาดกันก็กระจายกันไปอยู่ไปสารททีทุกสารที่ เดินทางจากมาดีนด่าอันน <c oughs> ี้ไปอิบเพื่อถามซามะฮัดดิษบทหนึง่งอุลามาทั้งหมดในที่เขาเล่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าคุ้มแก่ชาวซาลับเนี่ยเวลาเขาเดินทางกันจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งอ่ะเพื่อเรียนรู้หัดดิแล้วก่อนู่นนะ่ะเขาไม่ไดีเขาไม่นั่งเครื่องบินนะเออในปัจจุบันเนี่ยมีคนเล่าสมมุติว่ามีคนเล่าบอกว่า เดินทางจากเมืองไทยนี่ไปประเทศซาอุดีอาราเบียหรือไปอียิปต์เนี่ยไปเรียนฮันฮนฮนดิสบทเดียวคนส่วนมากก็บกว่ามึงมึงบ้านแน่นอนบ้านแน่นอนทำไมก็คนในกวัวเกินก็ได้ก็เจอแล้วทำไมต้องเดินทางไม่ใช่คือเขาเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่ผิวเผินเหมือนเราอะเขาเขาเขาไม่ คือเราในเวลาค้นฮะดีสเนี่ยความรู้จากโกเกิลเนี่ที่สุดเนี่ยเวลาเขาถามอ่ะแล้วเอาเอาความรู้จากโกเกิลอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเผยแพร่มันเอามาจากไหนเราจะตอบเป็ไงสมมุติว่ารายงานฮะดีสจากอบูร์เระล์ทานนบีสุลตันกล่าวอย่างเงี้ยมันเอามาจากไหนเราสามารถบอกได้มาเอามาจากอเบอร์เรลล์เอามาจากไหน อาจารย์กูอาจารย์กูใช่ไหมแต่นี่เขารู้กันแล้วไงอาจารย์กูนี่คือใครเฮ้ยโอกนะ้นอาจารย์กูมันจะได้ดูดีไยว่าเรามีอาจารย์เนีไยแต่ที่สุดเนี่ยคุณค่าของของความรู้นี่ว่าเออเพราะอะไรอะ่ะเพราะอาจารย์กูนี่นะเขาสอนคนทั้งโลกอาจารย์กูนี่กวา้างขวางมากสอนคนทั้งโลก ความรู د د خ خ و و س س <t> ้ท <22 stars> ี่เราได้มานี่ยมันก็จะไม่มีความวิเศษแต่สําหรับคนที่สมัยสาบ้านที่เขาเดินเขาเอา ح ดี ث จากสหบานจากท่านบีพอดอกันโ้นนะศาสนานี้จะใครกดานี้ไม่ได้นี่ถ้าถ้ามีคนหนึ่งในยุคนี้เนี่ยย้อนไปอยู่กับสหบ้านนี่โอความรู้คงเยอะกว่าสาบ้านหลายคนน่ะ ข้าล Di ิเด็กนวลวิทเดิรงานฮะดีสิปบทประมาณอับูบั克รอัลสุดดีในมุสเนอิมามะที่รูปรวมฮะดีสอร์สดดีทั้งบทเนี่ยประมาณหกสิบทอจะไม่ถึงครับหกสิบในปัจจุบันนี้นะจะมีคนนูาจะเป็นทยอนไปในยุคของอับูบัครนะท่านผมในฮะดีสนี่เพียบเลย ถ้าคุณค่าเนะี่ยคุณค่าระหว่างระหว่างหัดี่ที่เราได้มาที่เราได้มาโดยผ่านแ ต, ต่ตละกีแต่ละกีนี่คือการการรับรู้ความรู้ที่มีสายรายงานสายสืบโดยกติกาของความรู้ด้านศาสนาเนี่ยก็คือต้องรับความรู้จากนักอุชาการรุ่นต่อรุ่นความรู้จะมีความวิเศษมากกว่าความรู้ ที่ยแลมาจากตาราก็กเนนี่ก็คือว่าตํารานะ่ะก็เหมือนหนังสือนี่แหละเราอ่านมันก็เรนค้นหามันให้เร็วกว่าก็ต้องบอกนู้นคนนั้ก็มีหนังสือเยอะนั่นก็คนหาแต่ใช้เวลาในการค้นหาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่นี้ค้นหาง่ายในายลงอลิฟลามรอความหมายของอลิฟลามรออยู่ในตํารานะอยู่ในตําราแต่การที่จะอธิบายให้เราได้ได้ เข้าถึงแล้วก็รู้สึกถึงอัทรถตอนอ่านกุตอานนี่อาจจะไม่พบในตำราใดอาจจะหาเนื้อหาที่อธิบายแบบที่ผมได้อธิบายนี่อาจจะไม่มีในตำราใดๆก็ได้อาจจะหายากและนี่คือคุณค่าของการที่เราได้เรียนรู้ความหมายกุรัานกับนักกุศการได้เรียนรู้คำสังสรร่งนของอิสลามผ่าน ผูรู้ที่จะให้ความกระจ่างในแก่นแท้ของตัวบทเนี่ยได้ประจักษ์กับสายตาของเราติลกาอียตุลกิตาวิลฮักีมเหล่านี้คือบรรดาองค์การแห่งคมพีที่ชัดแจงอุลมาส่วนมากบอกว่าติลกาเหล่านี้เนี่ยหมายถึงว่าตัวกุตตานี่บรรดาองค์การของกุตตานี้ เหล่านี้คือบรรดาองค์การนี้ของกุษุนนี้อัลฮะกิมที่มีความชัดเจนบางท่านนะขตัดะมุจาฮิอัลฮัสซันอัลบัซรีได้บอกว่าไม่อัลลอฮ์ไม่ได้ไมโครกุษานอีกเดียวนะหมายรวมกุษาน หมายรวมคำพีและพระ ด, ดำรัสของพระองค์ที่ประทานลงมาอย่างบรรดาอบีรัสูลุก่อนเช่นเตรารอซบูอินจีเป็นตน้นทั้งหมดเนี่ยเป็นคำภีที่มีความชัดเจนที่มาจากพระองค์้าสนานี้ก็มีเหตุมีผลทำไม ราอายะนี้อัลลอฮ์พูดถึงคําพีก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีความชัดเจนนะแล้วทําไมล่ะแล้วทําไมล่ะพอจะมีรัศุลในยุคนี้คือมุฮัมมัดเนี่ยมามาพูดว่ามีคํำพีหรือมีพระตํารักจากพระเจ้านี่เขาจะประหลาดใจนี่คือความหมายของอายะหนึ่งกับอายะที่สองอายะหนึ่งนี่กำลังในทศนิของมุจไหด al-hasan al-basri ละก็ต a า a d a n i m a w สิ่งกับเหล่านี้คือบรรดาคัมภีร์ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีความชัดเจนแล้วที่คนเขายอมรับกันแล้วแม้กระทั่งชาวมักกานี่ผู้ปฏิเสธแท้ที่มักกานี่เขาก็ยอมรับนะว่ายิวเนี่ยเขามีโตราเออคริสเตียนเาก็มีไบเบิลศาสนาโน้นก็มีคัมภีร์นี้เนี่ยกูได้เขาก็ยอมรับแต่ที่พ่อมุฮัมมัดเนี่ยก็เอาคําสั่งสอนของพระเจ้านี่มาแจ้งนะเป็นไปได้ไหนที่ที่อลัลลอฮ์เด้อ แสดงว่าทัศนาของเอ็มเนีอของมุญยาฮิตก็มีเหตุผลแต่ทัศนาหนึ่งซึ่งทัศนาอุลามาสวนมากที่ที่อธิบายบอกว่าเหล่านี้เนี่ยคือคัมพีเนี่ยคัมพีเนียมีความชัดเจนแล้วทําไมพวกนู้นเน่ยเขาไม่เข้าใจกันอ้อัที่สองเนี่ยที่เราบอกว่าทําไมเขาไม่เข้าใจกันอัลฮักีมอัลฮักีม มาจากไหกมะไหกมานี่ษายในส่วนมากนี่ก็ออธิบายกันแปลว่าวิทยาปัญญาจรย์ีนอาิบรลิมกเรชีนหนังสือคูอ่านมัิและอธิบายอายะนี้บอกว่าคำภีที่มีวิทยาปัญญา วเมนว่าอล ح ك ي م คือแล้วมะซูนมะดันภาษา ل ح ك ي م เนี่ยว่ามุหกัมมุ้กัมเนี่ยแปลว่าถูกร้างมาอย่างหนักแน่นอย่างลงตัวซึ่งจะมีเนื้อหาเนื้อหาเท่ากับชัดเจนไมายถึงว่าไม่คุ้มคือแน่นอนกุรอ่านนี่มีอุท ย, ยาปัญญาอยู่แล้วและก็ห น, นึ่ง نَيْكَمْ أ َْ ك َ ا ن َ ت ِ ب َْ ي َ ا ت ِ ا ل ل َّ ه بَجْوَهُ و َ ي ُ ع َ ل ِ م ُ ه ُ م ُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ بَنَانَ ب ِ ي ُّ س ُ ل ْ ت ِ ي اللَّهِ ب ا ل ر ََّ ا ن لَمَعَ ت َ س ْ أ َْ كَمْ ب ِ ي الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ حِكْمَةً ح ِ ك ْ م َ ة َ ن ِ ن ْ ن َ ت َ ا َ ه ن و َّ แต่ต้องเข้าใจว่าเวลาเราอธิบายฮิกมาเนี่ยสำหรับมนุษย์นี่นะคนนี้มีวิทยาปัญญาเป็นวิทยาทานที่มาจากมาจากปัญญาวิทยาปัญญาแต่ถะเป็นหิกมาของัลลอฮเนี่ยถ้าเราอธิบายว่า เอกมานีวิทยาปัญญาหนีของอัลลอฮ์นะของอัลลอฮ์เนี่ยมันจะติดขัดในเวลาที่ว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยเพราะเอกม่าในภาษาอ раб เนี่ยไม่ต้องเกิดจากปัญญาก็ได้แต่ว่าอธิบายเป็นภาษาวิทยาปัญญานีทำไม่อาจจะทําให้คนเข้าใจว่าอัลลอฮ์มีปัญญาซึ่งการที่เราจะบอกว่าอัลลอฮ์มีปัญญาเนี่ยเท่ากับเรา ยืนยันในคุณลักษณะของอลัลกสุภาโนะถ้าไม่มีตัวบทหลักฐานเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เพราะเ๋ยวนี้มันเป็นแฟชั่นแฟชั่นของนักวิทยาศาสตร์เวลาถามว่าโลกนี้มีพระเจ้าไหมเขาบอกว่าโลกนี้เนี่ยต้องมีปัญญาต้องมีสติที่กำลังดูลไม่ยอมรับในบรรดาพระนามหรือข้อมูลที่มาจากศาสนาที่พูดถึงพระเจ้านะ แต่เขาอยากจะแสดงผลการค้นหาของเขาเนี่ยด้วยสิ่งที่เขาเข้าใจเองจึงยืนยันในคุณในลักษณะที่ไม่มีไม่มีมมตัวบทในฮะดีสในกุษานว่าอลอนี่เป็นสติปัญญาอลอนี่เป็นปัญญาไงมีไหมมีมะ ม, มโอ้ผู้ทรงมีพระปัญญามีพระสติมีเคยได้ยินมไม่มีม คุณลักษณะของอลลอเนีเราไม่สามารถยินยันในสีฝาตในพระนามใดๆเนี่ยนักปัญญาหนนักปัญญาเนี่ยเขาจะมีเขาจะชอบใช้หนึ่งเนี้ยอัลลักลปัญญาปัญญาปัญญาใหญ่ปัญญาสูงสูงสุดของโลกพวกนักปัชญาจะชอบใช้หนึ่งนี้แต่มุสลิมใช้ไม่ได้ทำไมว่าเรามีกรอบเนี่ย เราจะรู้จักอัลลอย์ยังไง ร, รวมถึงการที่เราจะเรียกอัลลอย์นี่จะเรียกยังไงตามที่พระองค์สอนเรามีช่องทางเดียวระหว่างเรากับพระเจ้าว่าเรายอมรับว่ามีคำพีที่มาจากพระเจ้านี่ผ่านศาสนทูตท่านนี้เราจะพูดคุยอะไรเกี่ยวกับอัลลอย์นี่ก็ต้องผ่านคำพีนี้อย่างอื่นนี่เราจะคิดเองกระดุ้น เราประทับใจอัลลอฮ์เรื่องหนึ่งเ <c oughs> ช่นออนิกสไตายเนี่ยถูกถามว่าโลกนี้ใน ม, มีพระเจ้าไหมออนิกสไตายเนี่ยไม่ยอมรับในพระเจ้าเขาไม่เขาไม่ยอมรับในพระเจ้าเขาบอกว่าไม่รู้ล่ะแต่แต่โลกนี้ต้องมีวิศวกรที่อาเชิอาเียมากเราทำได้ อ๋อหนึ่งในพระนางอัลลอฮ์นี่เสวกกรหนึ่งเนี้ยได้เหะอแม่ข้อแตกต่างใช่ไหมไม่ได้อสมาพระนางอัลลอฮ์สีฟาตคุณใลักษณะต้องยืนยันเฉพาะหนึ่งได้อายะเดียวก็บุญแล้วนะฝนตกพอดีและฝนหยุดพอดีเลยนะครับก็อายะที่สองนี้ด่อย ยุกยอดนะครับพี่น้องมีคำถามไหมเชต่อที่ท่านีอ่านคุรานแล้วผมเหมือนผมได้ยินว่ามีพี่น้องท่านหนึ่งบอกว่าเออเชเออมาโมทคอเล่นคุอมีทแล้วมีการอ่านคุราที่คล้กับ่นมีเขาค่สนิทฐานผู้รู้บางคนเขาประทับใจวพาเชคอโทเนียบ โดยะเะนียบในเรื่องมครดอยู่เรื่อ ง, งสีฟ้าอะไร เ, เรื่องลักษณะการอ่านอาักษรเนีย่ยค่อนข้างเนียบหัโว่เนี่อ่านเหมือนเหมือนนบีเหมือนสมัยนบีมือนอันนี้แค่การวินิจฉัยของอูรู้บางคนเท่านั้นนะไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้คือไม่ได้มีเหตุผลที่เป็นตัวบทอะไรชัดเจนนนั้นนะไม่ใช่เพราะทุกวันนี้ก็ยังมีความขัดแย้ง รวงอุลามาว่ารายละเอียดของการอ่านเจุหเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีอ่านสมัยท่าเช่นกุลนะหน่วงสองฮาระกะอะไรเงี้ยมัดมัดมุตตสิลเนี่ยสี่ฮาะกะถึงห้าฮาระกะอย่างเงี้ยสมัยท่านนบีอย่างงั้นน่ะก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่แล้วกับางคนเนี่ยชอบก้อนีคนนันก้นี่คนนี้นี่คนนี้เนี่ยอ่านเหมือนนบีเลยสารพัดอย่าง แต่ไม่ไม่อันนี้ไม่ไม่ใช่นะมีแค่มีนักวิชงกานบางคนเนี่ยที่ก็ชอบโลกนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยในเรื่องกอรีเนี่ยสําหรับผู้รู้นะไม่สําหรับคนทั่วไปนะสําหรับผู้รู้เนี่ยมีอยู่สองทัศนะทัศนะหนึ่งเขายกย่องอุสรีว่าเป็นที่สุดแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ยกย่องมินชัวีไอคนนี้ก็ม่ช่เรืยองอันนี้ไม่ใช่ผู้รู้นะ ม่ชื่อรียนอะไครเนี่อันนี้ไม่ใช่ผูรู้นะอันนี้อันนี้เขาเรืองอะไรกเขาชอบฟังอ่ะชอบฟังเสียงไปร้ออะไรเงี้ย่อันนี้ไม่ใ่เรื่องถ้าเรื่องความรู้เรื่องมุชาการเนี่ยก็เนี่ยสกอรีคนเนี้ยที่เขาทางเรื่องแต่ยุยแล้วก็เรื่องเรื่องความรู้ด้วยเพราะสองคนนี้เนี่ยเขามีความรู้เรื่องคุรอัดด้วยนะไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่อ่านฮับเสียงเดียวนะอ่านทุกคุรอัดเลย แล้วก็ความรู้เขา้าที่แม่นเนี่ยในยคุตตานนี่เขาบันทึกเนี่ยเรื่องหยุดเวลาเขาอ่านแล้วก็หยุดเนี่ยเป็นผู้รู้แต่ที่เลอะเทอะเนี่ยที่อ่านกันเยอะเนี่ยหยุดที่ไหนก็ไม่รู้หยุดแล้วก็ว่าเลอะเทอะหมดไม่ใช่ผู้รู้ <c oughs> สองคนนี้ก็อ่านใช่เขาเขาเขาไม่ได้เรียนแต่ ย, ยู่ยเดี่ยวเดียวนะเขาเรียนความหมายคุตตานด้วยเขารู้ว่าตรงนี้หยุดได้หยุดไม่ได้และเขาก็มี <c oughs> มีกําลังหายใจที่สามารถผ่านยาวเพราะบางคนเนี่ยนไม่ได้ไม่ไหวหรอกแล้ว ก, ก็จะมาหยุดี่หยุดไม่ได้เนี่ยต้องหยุดก่อนแล้วก็ย้อนหลังแล้วมาต่ออีกเนี่ยแต่คงพวกเข้าอยู่บางทีเนี่อายายาวมากฮิโคซอรี่นี่โยเฉพาะนี่ยอ่านยาวอ่านยาวทั้งทั ง, ทงอายานี่กานได้อืมบางอย่างที่ถ้าไม่เข้าใจมาร์กด้วยนะครับเออในมดล่างสอง าเป็นนาย่างต่างๆไม่ใ่ิรจะับบาสกมนี่ซ่อเจ้าเนบีเนีมีสหบาก์อาจจะสงสัยถ้าเราตั้งตั้งแค่สมมติฐานว่เขาอาจจะสงสัยแต่การที่เขาไม่ได้พูดสมัยท่านนบีสุลตานแสดงว่า สามารถบอกว่าได้ในยุคของท่านนบีสุลต่านละเลวซัลลัมเนี่ยความรู้ที่ดที่ได้มาจากการฟังกูร่าจท่านนบีเนี่ยว่าเขามีความเพียงพอแล้วที่ฟังแล้วก็รู้เหตุผลของอะลิฟแลมมีมของควาที่พระสูตรเนี่ยรู้เหตุผลแล้วซึ่งเป็นทัศนะของคนละมาส่วนมากนะว่าชาบ้านนี่เขาฟังแล้วเขากระออักษรอักษรของพวกเรานี่แหละแต่เราเนี่ยเป็นอาหรับแท้ แต่เรางูขนาดไหนไม่สามารถร่างกุศออานเหมือนกุศออานนี้แสดงว่าเราต้องยอมรับว่านี่ไม่ใช่คำพูดของมุฮัมมัดเป็นคำพูดของพระเจ้าอันนี้เนี่ยเขาความหมายนี่เบสิกแบบเนี้ยนะมันเพียงพอที่จะให้ให้เราได้พอใจแล้วในการเงียบนิ่งของสอบม์ที่ไม่ได้ถามท่านนหีเหมือน ที่เราสุนนีเขาพูดถึงเรื่องศีลา็หล่อซาบะได้ฟังนบีอ่านอัลราะห์มานุอาลิสต์อวะไม่เคยมีใครมาถามทัานนบีสถิตบนบัลลังก์ยังไงอ่ะนบีผมยังงงอยู่อ่ะคือตัวซาบะเขาเขามีมารยาทนะเออเวลาเขาคุยกันนบีนี่ไม่มีนะครับว่างงเนี่ยงงนี่ก็หมายถึงมันมุนาฟิกเลยนะอ่าก็งงกับคุณอ่านคือพูดได้ไหมผมอินงกับกุณอ่านแตนี่พูดกันเฉยเลยนะ อาชีพผมยังง ง, งกับอะไรนี่ง <c oughs> คือท้างงเตี๋ยพูดอย่าพู ด, พดผพ ม, มันเสียมารยามันเหมือนพูดกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สั่งอะไรเนี่ยยังไงอะครับไม่เข้าใจผมงงอะ่ะงงไปงงไปเลย <c oughs> ไปเละใครไม่ได้อ่ะฟังผู้ใหญ่พูดแล้วก็ไม่เข้าใจมันไม่ต้องมาทำงานกับผู้ใหญ่ใช่ไหมพูดไม่ได้พูดกับผู้ใหญ่นี่ไม่ได้งงอ๋อผมยังไม่เข้าใจครับเออคือต้อง ต้องนอบน้อมกับกั บ, บคนคนสูงกว่าเราเนี่ยเราต้องนอบนอบ้อแต่เราบาังงงกับคุณอ่านอย่างงี้สนิฐานว่าแม้จะเล่นเล่นสาเนี่ยเป็นไปได้วะซาบะอาจจะไม่เข้าใจาใช่ไหมอัลลอาร์์มานาอัอสตวาวะฟาฟะบูส่งการุนานี่ส่งสถิต บ, บนพระบัลลังสมมติว่าซาบะไม่เข้าใจา แสดงว่ามารายาทของเราเนี่ยต้องทำมารายาทเมันซาบาติถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็ต้องเงียบแต่าจะบอกว่าไอ้าเาต้องเต้องเจียวกว่าซาบาตินี่ซาบาไม่เข้าใจต้องต้องเข้าใจทนนี้อันนี้ก็เสียมารายาทไปอีกอีกสเต็ปหนึ่งครบไม่มีทางถามนะอ่าต้องต้องขอโทษนะต้องขอโทษนะพอดีชเช้าไปนิดหนึ่งพี่น้องที่จะรับอิสลาม คนไหนทัานนี้ใช่ไหมโอเคต้องขอโทษนะเช้าไปหน่อยอันนี้ที่ติดต่อมาทางเพจใช่ปหมแล้วกันนับวันนี้อ่ะนะโอเคได้ครับตั้แต่วันอาทิตย์นะครับอืมครับสุดท้เราเชื่อว่าโลกกองค์กรโลกที่จะจะให้ความแตกตอนนี้มันมีประเด็นมันจะจำเราท่านบอกว่าครับ ที i, i, med, med vi, an, so ่ตั้งใจว่าม่ไีเรื่องขตอนเดี๋ยวผมตั้งใจว่าอายะที่สองนี้ก็ก็ก็จะแวะหน่อยจะแวะหน่อยดีมันไม่ถึง่งใจพูดเลยไมหรือจะไอ้แวะกนผมมันยาวยาวแต่สรุปสั้นๆนะ อัานี่คือความเข้าใจของเชฟบิมบาสและก็อุลามะบางท่านที่อธิบายว่าชั้สุตจรีหรมุสตะกรล่ฮะว่าว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันโคจรมันโคจรแล้วก็โลกนี่ไม่ดีไม่ดีไม่ด้โคจรไม่ดีอันนี้คือความความเชื่อของเชฟบิมบาสนะว่าโลกโลกนี่ไม่ได้โคจร แต่การที่เขาบอกว่าไม่เชื่อแบบนี้เนี่ยก็คือม่ที่มาเชื่ออกวมันมั น, ม, นมันไม่ใช่ไงมันเป็นความเข้าใจของมุมมองของจะจะถือว่าเป็นความหมายของกุรอานตรงๆนี่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่และนี่เป็นตัวอย่างที่จะให้เห็นนะครับว่าผู้รู้บางทีผู้รู้โดดดังมา ก, กนนะบางทีเขาก็พลาดพลาดได้นะพลาดแล้วก็พลาดแบบแบบไม่น่าเชื่อไง ในเรื่องอะไรแบบเนี้ยพราะในเรื่องโคจรนี่ก็มีอุลมะตั้งแต่ยุคสลับในโคจรของโลกอก็นนะ่ก็มีสลับที่เขาพูดเช่นเดียวกันนะะดูดข้าวหน้าดูคอยคุอยอธิบายรายละเอียดนะครับอ่ะเชิญครับเชิญมาด้านหน้านะครั บ, นนะรบจะได้กล่าวก <c oughs> ารต้นพร้อมกันแล้วก็ไปพี่น้องมาเป็นเสื้อคีพยานเชิญนั่งนะครับเชนั่ชื่ออะไรเนาะอายส ไปสุดทางขึ้นยนบรรดาประชาชนสกลาสกลาสักยเดินอะไรไอ้ก็ไม่ไอ้ก็ไม่แดงนี่เอกนี่มาจากไหนนะเจ็บมาสุดโต่งไหมใช่ครับเออศึกษาเรียนรู้อลามแล้ว ใช่ครับมาบ้างแล้วครับมามากแล้วมาบ้างแล้วมางแล้วที่สำคัญนี่ก็คือเรื่องพระเจ้ากว่าไม่มีพระเจ้าที่ต้องเคารพสกนอกจากะ์แล้วก็เสพอาทีู่สกอื่นเนี่ยราไมไม่เชื่อว่ามันมีอททมีอำนาจะไบารม่ชื่อว่าท่านีมุฮัมมัดัตีริบัาังสอ่า กที่แล้วนี่เราเรียนด้วยศาสนาว่าฝังศึกษาในในใช่ครับหลังจากนี้เนเรื่องการศึกษาแนะนำว่ากาศึกษาเป็นระบบนะมาที่นี่ก็ได้วันเสาร์ะจะมีมาผู้สนใจนะเราจะกล่าวนนุก่อนนะแล้วก็แลกเปนันเป็นภาษการปิญนนนีก็จะประกาศพี่น้องแล้วว่าเป็นมุสลิม ่ถ้าประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮกกลเนียนก็ต้องมีใบรับรองอิสลามเนี่ยการนีงงนเราเนี่ยสามารถอรอกให้แล้วก็ไปที่สำนั ก, ากุาได้อันนี้เรืองเกสารเจนเอสาข้าพเจา้าข้าพเจา้าข้าพเจา้าข้าพเจา้าขอปัิยานตนขาอาตน ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใ ด, นดที่ต้องเคารพสักการะที่ต้องเคารพสักการะอื่นจากอาหโลกและท่านศาสดาม uh ุ hammad และท่านศาสดาม uh ุ hammad เป็นศาสนทูตเป็นศาสนทูตผู้สุดท้ายผู้สุดท้ายขอ ง, งของพระองค์งงคงก็มีนห่ยบทน อัจฉริยะ สักกะลาศแล้วก็ดูชอเระดูะดจะติดตอกันถ้าจะจะให้ตั้งชื่อเป็นวิสาลก็ได้นะเดี๋ยวจะขอให้ช่วยช่วยแอดเขา้าไลน์เขาา้าไลน์ไลน์ทนี้ก็ได้นะครับขอแสดงความยินดีนะครับขอให้ท่านได้ยินเหตุนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพระเจ้าให้ให้เราเข้าสะอาดเลย ไม่มีมนิแม่แต่งานที่นั่งอยู่ทั้งหมดนี้ก็ผ่านไปแล้วเยอะนะนี่ก็เป็นพี่ที่เขารับอิสลามมาที่พี่ลปีสิบห้าปีแล้วแล้วก็สามสิบสี่ปีแล้วอนี้รับอิสลามแล้วก็มีใครอีกนะสามปี